จเจริญพท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจบุญทุกท่กทกทานวันนี้เป็นวันจันทร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2554เป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันอาสาหาบูชชาที่ผ่านมาญาติโยม จึงได้กำไรมีโอกาสได้มาเติมกำไรให้แก่ชีวิตด้วยการมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะไม่มีอะไรที่จะให้กำไรกับเราได้นอกจากบุญกุศล หรือธรรมคำสอนของพอพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ต่อให้เราได้มามากน้อยเพียงไรเวลาเราไปเราก็เอาติดตัวไปไม่ได้เราจึงไม่ได้กำไรจากสิ่งของต่างๆในโลกนี้แต่บุญกุศลและพระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้านี้ เราสามารถเอาติดตัวไปได้จึงเป็นกำไรของเราเรามาเกิดเรามาตัวเปล่าๆถ้าเรามาหาแต่เข้าของเงินทองมาหาสมบัติมาหาบริษัทบริวารเราได้มามากน้อยเพียงรเราก็จะเท่าทุนคือได้มาเท่าไหร่ เราก็ต้องเสียหมดไปเท่านั้นเราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้แต่ธรรมะหรือบุญกุศลนี้เราได้มากเท่าไรเราก็เอาไปได้หมดเลยนี่จึงถือว่าธรรมะนี้เป็นส่วนกำไรของชีวิตส่วนอื่นๆนั้นไม่สามารถเป็นส่วนกำไรของชีวิตเราได้ดังนั้นนักปราชญ์ทั้งหลาย จึงไม่แสวงหาอะไรในโลกนี้แสวงหาแต่บุญกุศลแสวงหาแต่ธรรมะเท่านั้นเพราะนับปราบรู้ว่ามีธรรมะหรือบุญกุศลนี้เท่านั้นที่จะเอาติดตัวไปได้จะเป็นสเสบียงจะเป็นเป็ดใจจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ไปอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกแบบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างดังนักปราชเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นทรงบำเพ็ญแต่บุญบารามีมานับไม่ถ้วนชาติในแต่ละชาติก็ทรงบำเพ็ญบุญบารามีต่างๆจนพอถึงชาติสุดท้ายก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องจากได้สะสมบารมีมาเต็มที่แล้วนั่นเองจึงทำให้ได้รับผลที่เลิศที่สุดที่มนุษย์จะสามารถรับได้นั่นก็คือพระนิพพานคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่แลเป็นผลกำไรของชีวิตเราที่พวกเราควรจะให้สำคัญ ต่อการแสวงหาต่อการสะสมอย่าไปแสวงหาลาบยศสรรเสริญอย่าไปแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันจะไม่ได้เป็นผลกำไรของชีวิตได้เพียงแต่มีความสุขกํามันไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองพอตายไปแล้วก็ไปแบบขอทาน ไปแบบไม่มีอะไรติดตัวไปแต่ถ้าเรามาสร้างบุญบา ร, รมีกันเราจะไปแบบเศรษฐีจะไปเกิดดีจะไปพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตักตวงกำไรให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์ในลำดับ ต่อไปนี่คือทางของนักปราบเป็นอย่างนี้นักปราบนี้จะแสวงหาแต่บุญกุศลหาบุญบารมีส่วนคนโง่ก็จะแสวงหาแต่ลาภยศสันลเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกวินกายก็เลยต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดนับไม่นับไม่ทวนพบชาติในแต่ละชาติ ที่ตรงหลังน้ําตานั้นมีประมาณสักเท่าไหร่แต่จํานวนพบชาติที่ได้มาเรียนว่ายตายเกิดและได้หลังน้ําตานั้นเมื่อเอาน้ําตาที่ได้หลังมารวมกันแล้วจะมีมากกว่าน้ําในมหาสมุทรนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นทรงรู้ว่าการหารากยศสารเสริญสุข หาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายนี้เป็นไปเพื่อการเวียนว่ายตายเกิดเป็นไปเพื่อการสะสมน้ำตาที่ต้องหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติให้มีมากยิ่งขึ้นไปถ้าไม่หยุดก็จะมีมากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทรเสียอีกเพราะการแสวงหาราบยศเสริญสุขนี้ ไม่ได้นำไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดแต่จะมีแต่พาให้ไปเกิดเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเนื่องจากใจของเราไม่มีวันตายนั่นเองดังนั้นมันก็จะไม่มีวันยุติในการหาความทุกข์มาให้กับตนเองจนกว่าจะได้เจอนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าได้เจอคำสอน ของพระพุทธเจ้าหรือได้เจอพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าที่เตือนสติสอนให้พวกเรามาหาบุญบารมีกันมาสร้างบุญบารมีกันถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วปฏิบัติตามภพชาติของเราก็จะน้อยลงไปไเรื่อยๆนับตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มสร้างบุญบารมี เราก็สามารถนับถอยหลังได้เลยในจํานวนภพชาติต่างๆที่ที่จะมีที่เราจะมีมากขึ้นไปถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาทีนี้เราจะสามารถนับถอยหลังได้จากล้านล้านชาติก็จะลดถอยลงมาเป็นล้านชาติเป็นแสนชาติเป็นหมื่นชาติเป็นพันชาติเป็นร้อยชาติแล้วก็เป็นไม่กี่ชาติ เจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้สามารถปฏิบัติตามครบถ้วนบริบูรณ์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้เลยว่าผู้ใดสามารถปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระองค์ได้อย่างเข่งครัดอย่างสม่ำเสมออย่างไม่ท้อถอยจะสามารถตัดพบชาติ ให้หมดไปได้ภายในเจ็ดชาติเป็นอย่างมากหรือถ้ามีความสามารถมากก็จะสามารถตัดได้ภายในเจ็ดปีนี้เลยดังที่มีผู้ที่ได้ศึกษาได้นำเอาไปปฏิบัติและสามารถตัดพพชาติได้ภายในชาตินี้เลยมีจำนวนมากมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอน จนมาถึงปัจจุบันนี้นี่คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีการยืนยันได้มีผู้ยืนยันคำสอนนี้ก็คือพระอริยสงสาวกทั้งหลายนั่นเองท่านเหล่านี้เป็นผู้รับรองคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความสอนที่จริงไม่ใช่เป็นคำสอนที่แต่งขึ้นมา ถ้าพระพุทธเจ้าเป็นหมอพระอริยสงฆ์สาวกก็เป็นเหมือนคนไข้ที่ได้รับการรักษาจากหมอจนหายจากโรคภัยไข้เจ็บคนไข้เหล่านี้ก็จะไปบอกคนอื่นต่ออีกทีว่าหมอคนนี้เก่งใครเป็นโรคภัยไข้เจ็บให้มาหาหมอคนนี้รับรองได้ว่าจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างแน่นอนนี่คือ พระอริยสงสาวกที่เป็นผู้ทาหน้าที่ยืนยันว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่เป็นโมฆะและก็มีผลในทุกยุคทุกสมัยเพราะเป็นอาการลิโกเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมไปกับการกับเวลาบางท่านอาจจะคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็มีอายุมา ถึง 2,500 กว่าปีแล้วถ้าเป็นวัตถุต่างๆป่านนี้ก็จะเสื่อมไปหมดแล้วคำสอนก็น่าจะเสื่อมไปเช่นเดียวกันแต่ความจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าและผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามนี้ไม่ได้เสื่อมไปสิ่งที่เสื่อมก็คือศรัทธาของพุทธศาสนิกชนหรือวิริยะความอุตสาหะภาคเรียน ของพุทธศาสนกชนที่เสื่อมไปที่ไม่ปฏิบัติการเท่านั้นเองหรือปฏิบัติก็ปฏิบัติเพียงส่วนย่อยไม่ปฏิบัติครบทุกส่วนผลที่พึงจะเกิดจึงไม่เกิดเลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปคิดว่ามรรคผลนผิพพานนี้ไม่มีแล้วไม่มีผู้ใดสามารถจะปฏิบัติ บ, ตบรรลุถึงมรรคผลนผิพพานได้ เพราะเสื่อมไปหมดแล้วความจริงสิ่งที่เสื่อมก็คือการปฏิบัติของชาวพุทธเ่านี้เองเดี๋ยวนี้ชาวพุทธเราไม่ปฏิบัติกันทำได้อย่างมากก็คือทำบุญให้ทานถวายภาพป่าถวายสังฆทานเท่านั้นแต่จะให้รักษาศีลหรือให้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนี้ไม่สามารถทำกันได้แล้ว เมื่อไม่ทำกันแล้วจะไปหวังมรรคผลนิพพานได้อย่างไรเหมือนกับคนไข้ที่ไม่กินยาตามที่หมอสั่งหมอให้มาให้กินวันละสิเม็ดขอกินวันละเม็ดเดียวแล้วจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างไรฉันใดพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนทำบุญให้ทานรักษาศีลจเจริญจิตตภาวนา ถ้าทำได้ครบทั้งสามส่วนนี้มรรคผลนิพพานก็จะต้องเป็นผลที่ปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่เชื่อลองทำดูแล้วถ้าไม่ได้ผลก็จะจะขอรับผิดชอบเองแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกและปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่ใช่ปฏิบัติครั้งสองครั้งแล้วก็บอกว่าไม่ได้ผลแล้วอย่างนี้ช่วยไม่ได้ มันไม่ได้ผลเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่เท่านั้นเองแต่ถ้าปฏิบัติเต็มที่ทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับไปไม่มีเวลาใดเลยที่ไม่ได้ปฏิบัติเช่นไม่มีเวลาใดเลยที่ไม่ได้เจริญสติถ้ามีสติต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับรับรองได้ว่ามากผลนิพพานจะต้องตามมาอย่างแน่นอนเพราะ มางผลในป่านี้เกิดจากสติเป็นจุดเริ่มต้นถ้ามีสติแล้วเวลาจะทำจิตให้สงบให้เป็นสมาธิก็จะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วบางคนนี้นั่งสมาธิเพียงหนาทีจิตก็รวมลงเข้าสู่ความสงบได้แล้วเพราะมีสติอย่างต่อเนื่องนั่นเองให้บริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธอย่างเดียวไม่ใช่บริกรรมพุทโธสองสาม ทำแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็กลับมาบริกรรมใหม่หรือบริกรรมไปแล้วก็คิดไปควบคู่กันถ้าทำอย่างนี้ทำไปจนวันตายจิตก็จะไม่รวมลงเข้าสู่ความสงบแต่ถ้ามีกรรมบริกรรมอย่างเดียวเพียงห้านาทีเท่านั้นก็จะรวมลงได้เพราะมีผู้ได้ทำอย่างนี้มาแล้วได้มาเล่าให้ให้ฟังกันในวงการปฏิบัติ ยังไม่มีใครสงสัยเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องมรรคผลนิพพานว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่แต่จะมีความสงสัยอยู่ในวงการของผู้ที่ปฏิบัติไม่สามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องเท่านั้นนั่งสมาธิไปกี่ชั่วโมงก็ไม่เคยเจอความสงบเลยเพราะว่าไม่ได้มีสติ อยู่กับการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธนั่นเองบริกรรมไปแล้วก็เผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าทําอย่างนี้แล้วไม่มีทางที่จะสงบได้แล้วเมื่อจิตไม่สงบก็ไม่มีทางที่จะเจริญปัญญาไม่มีทางที่จะเห็นอริยสัจสี่ที่แสดงอยู่ภายในใจได้ตลอดอยู่ตลอดเวลาได้เพราะมีโมหะอวิชชา ความโลภความโกรธความหลงปกคุมปกปกคุมอยู่นั่นเองไม่สามารถเห็นอะไรได้จิตใจของพวเรานี้เวลามีความทุกข์แทนที่เราจะเห็นว่าเหตุของความทุกข์เหล่านั้นอยู่ที่ความอยากเรากลับไปเห็นว่าเพราะเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากเราก็เลยไปหาเอาสิ่งที่เราอยากได้มาเพื่อที่จะดับความทุกข์เรา แต่การดับแบบนี้ดับได้เพียงเดียวเดียวเวลาเราได้สิ่งที่เราอยากได้มาเราก็มีความดีใจอยู่สักระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่อีกแล้วตอนต้นก็อยากได้สามีอยากได้ภรรยาพอได้แล้วทีนี้ก็อยากจะได้ลูกอย่างนี้เป็นต้นความอยากมันไม่มีขอบมีเขตไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าเราไม่เห็นว่าความอย่างนี้เป็นต้นเหตุความของความไม่สบายใจเราก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาให้ถูกจุดได้แต่ถ้าเรามีสมาธิมีความสงบแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้ความทุกข์มันจะโผล่ขึ้นมาเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ําแล้วโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นหรือเหมือนกับเวลาภูเขาไฟระเบิดเวลาที่ ภูเขาไฟไม่ระเบิดนี้ทุกอย่างจะนิ่งสงบแต่พอภูเขาไฟระเบิดขึ้นมานี้ทุกอย่างจะสั่นสะเทือนไปหมดเลยฉันใดเวลาใจที่สงบนี้ทุกอย่างก็จะนิ่งแต่พอเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บเดียวความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นมา ท, าทันทีผู้ที่มีจิตสงบนี้จะเห็นความทุกข์เห็นความอยากได้ทันทีเลย แล้วก็จะดับความทุกข์ได้ทันทีด้วยการตัดความอยากเท่านั้นเองพอรู้ว่าอยากจะได้อะไรแล้วเกิดความไม่สบายใจก็เปลี่ยนใจเท่านั้นว่าไม่เอาก็ได้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เมื่อก่อนนี้ไม่ได้สิ่งนี้เราก็อยู่ได้เมื่อก่อนเราอยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้พอเจอเห็นคนนี้ขึ้นมาปับ๊บทาไมต้องอยากจะมีเขามาเป็นคู่ครองแล้ว ีถ้าเรามีสติมีปัญญาคอยดูใจของเราเราก็จะตัดความอยากได้ทันทีเมื่อตัดความอยากได้ทุกครั้งความทุกข์ก็จะไม่มีปรากฏขึ้นมาในใจนี่ละคือปัญญาและการหลุดพ้นจากความทุกข์จะต้องเกิดที่ใจที่สงบเมื่อใจสงบใจที่จะสงบได้ก็ต้องเกิดจากการมีสติ ถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิไปจิตไม่รวม mm. ก็จะไม่มีทางเห็นอริยสัจ ส, สีที่กำลังแสดงอยู่ในจิตในใจได้ mm. เวลาไม่สบายใจ mm. เวลาใดก็มักจะไปแก้ที่ไม่ไม่ตรงเป้าไม่ไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุคือที่ความอยากอยากให้ใครเขาเป็นอะไรก็พยายามที่จะไปเปลี่ยนเขาให้ได้อยากให้เขาดีกับเราก็ต้องพยายาม ไปทำให้เขาให้ดีกับเราให้ได้อยากจะได้ตําแหน่งอยากจะได้อะไรก็ต้องพยายามไปเอาตําแหน่งหรือสิ่งที่อยากได้มาให้ได้แต่พอได้มาแล้วก็จะมีความอยากตามมาอีกต่อไปเพราะตําแหน่งมันมีหลายขั้นด้วยกันพอได้ขั้นที่หนึ่งแล้วทีนี้ก็อยากจะได้ขั้นที่สองมันก็เกิดความไม่สบายใจเหมือนเดิม ตอนที่อยากได้ขั้นที่หนึ่งก็เกิดความไม่สบายใจไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ากินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายพอได้ขั้นที่หนึ่งแล้วก็ดีใจสบายใจไปไม่กี่วันหลังจากนั้นก็อยากจะได้ขั้นที่สองแล้วก็จะกลับไปอยู่ที่จุดเดิมก็จะมีความไม่สบายอกไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกว่าจะได้ขั้นที่สอง แล้วก็ทำไปอย่างนี้ไปจนกว่าจะตายไปพอจะไม่มีวันสิ้นสุดจะถึงขั้นไหนก็ยังไม่มีวันสิ้นสุดเพราะความอยากนี้มันมีหลายอย่างด้วยกันไม่ใช่อยากแต่เฉพาะได้ตำแหน่งได้เงินได้ทองเท่านั้นมันยังอยากอยากเป็นอย่างอื่นอีกเช่น<ม>อยากจะรวยหรืออยากจะรวยเป็นนานๆไม่อยากจะจนหรือไม่อยากจะแก่ ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายความอยากเหล่านี้แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ใจให้แก่สัตว์โลกทั้งปวงแต่สัตว์โลกนี้ไม่มีปัญญาที่จะสามารถมองเห็นว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจได้เลยเพราะ <c oughs> ไม่ฉลาดพอและไม่มีจิตที่สงบพอที่จะเห็นได้ต้องมีคนอย่างพ่อพุทธเจ้าเท่านั้น ที่จะสามารถเห็นความอยากได้เห็นว่าความอยากนี้เป็นโทษของเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาในคืนวันเพ็ญเดือนหกที่ทรงนั่งประทับอยู่ใต้ต้นโพนั้นเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นพระอริยสัจสี่อย่างชัดเจนเพราะทรงตั้งสัจจะอธิษฐานไว้แล้วว่า ถ้ายังไม่ตัดสู้ยังไม่สามารถดับทุกภายในใจทั้งหมดไปได้จะไม่ลุกจากที่นั่งอันนี้ไปโดยเด็ดขาดถึงแม้เลือดจะเหือดแห้งไปจากร่างกายถึงแม้จะต้องตายไปก็จะไม่ลุกจากที่นั่งอันนี้ไปจนกว่าจะดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้ พอทรงนั่งแล้วก็สิ่งแรกที่ทรงเจริญก็คือสัมมาวนาทําจิตใจให้สงบพอจิตสงบแล้วต่อไปก็คอยดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปไม่นานกิเลสตัณหามันก็จะออกมาทํางานมันก็จะอยากลุกบ้างอยากจะขยับบ้างอยากจะทําอะไรบ้างอยากจะเป็นนว่นเป็นนี่อยากจะไม่ เจ็บบ้างอยากจะไม่ตายบ้างพอพระ อ, องค์ทรงเห็นความอยากต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจก็เห็นว่ามันว่าเป็นความทุกข์เพราะเวลาเกิดขึ้นมาแล้วใจมีความไม่สงบใจไม่สบายใจก็เลยทรงรู้ว่าความอยากนี่เองที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจและการที่จะดับมันได้ก็ต้องใช้ปัญญา ว่าสิ่งที่อยากนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ให้ความพอใจให้ความสุขที่ถาวรแต่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความพอใจชั่วคราวแล้วไม่นานความอยากก็จะเกิดขึ้นมาใหม่วิธีที่จะได้ความสุขที่ที่ถาวรก็คือต้องหยุดความอยากเพราะหยุดความอยากแล้วความอยากก็จะไม่กลับเพิดขึ้นมาอีก เช่นคนอยากสูบบุหรี่เป็นต้นถ้ายังสูบถ้ายังมีความอยากสูบบุหรี่แล้วสูบทุกครั้งที่อยากความอยากนี้จะไม่มีวันหมดไปจนถึงวันตายแต่ถ้าอยากสูบบุหรี่แล้วไม่สูบความอยากสูบบุหรี่ครั้งต่อไปก็จะเบาลงอ่อนลงครั้งต่อไปก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราฝืนความอยากความอยากนั้นก็จะอ่อนไปเบาไป จนในที่สุดก็จะไม่มีความอยากสู่บุหรี่เช่นเดียวกับความอยากต่างๆทั้งหมดเป็นแบบเดียวกันอยากดื่มสุราอยากไปเที่ยวอยากซื้อของฟุ่มเฟือยถ้าเราฝืนความอยากเหล่านี้ได้ทั้งต่อไปมันจะอ่อนกําลังไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันจะไม่มีกําลังโผล่ขึ้นมาอีกเลยคนถึงเลิกบุหรี่ได้เลิกดื่มสุราได้ เลิกยาเสพติดได้เพียงแต่เวลาที่จะเลิกนี้มันทุกข์ทรมานใจเท่านั้นเองเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วใจมันจะทุกข์มากถ้าได้ถ้าได้ทำตามความอยากมันก็จะระบายหรือระงับความทุกข์ไปชั่วคราวแต่มันไม่ได้ไประงับได้อย่างถาวรเดี๋ยวก็ต้องกลับมาอีกแต่ถ้าเรายอมทนทุกข์กับความอยาก เวลาอยากแล้วมันทุกข์ขนาดไหนก็ไม่ไปทำตามความอยากพอไม่นานความทุกข์นั้นมันก็จะสงบตัวลงไปเองแล้วครั้งต่อไปความอยากก็จะเบาลงความทุกข์ก็จะเบาลง <c oughs> พอเรารู้ว่าเราสามารถผ่านครั้งแรกได้แล้วครั้งต่อไปก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะเหมือนกับว่าเราเอาชนะตัวใหญ่ได้แล้วตัวที่เล็ก ล, ง, ลงมานี้ มันจะไม่มีทางที่จะชนะเราได้เพราะเราเคยชนะตัวใหญ่แล้วนั่นเองถ้าเราเคยชนะเพียงครั้งเดียวครั้งต่อไปเราก็จะชนะไปได้เรื่อยๆขอให้เรามองถึงผลสาเร็จที่จะเกิดขึ้นมาก็คือการไม่ต้องเป็นทาตของความอยากอีกต่อไปไม่ต้องเป็นทาตของความอยากสุราไม่ต้องเป็นทาตของความอยากสุบรี ไม่ต้องเป็นธาตุของความอยากไปเที่ยวอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆหรืออยากจะรับประทานขนมนมเนยหลื่มเครื่องหลน่นเครื่องดืมชนิดต่างๆเราสามารถเอาชนะได้หมดถ้าเรามีพลังใจถ้าเรามีสติสามารถควบคุมใจของเราไม่ให้ไหลไปตามกระแสความอยากทำใจให้สงบแล้ว มันก็จะไม่สามารถทำตามความอยากได้นี่แหละคือความสาคัญที่เราต้องมีสติเพื่อเราจะได้มีสมาธิเพราะสติและสมาธินี่แหละเป็นตัวที่จะหยุดความอยากเบรกความอยากทำให้ความทุกข์นั้นมันไม่รุนแรงเหมือนกับคนไม่มีสติสมาธิจะทุกข์ทรมานมากเวลาจะหยุดความอยากแต่ละครั้งเพราะไม่มีเครื่องมือนั่นเอง แต่ผู้ที่มีสติสมาธินี้จะสามารถหยุดความอยากได้อย่างไม่ไ ม, ไม่ทุกข์ทรมานและหยุดได้อย่างง่ายดายดังนั้นถ้าเราอยากจะหยุดความอยากอะไรก็ตามสิ่งที่เราควรจะมีก็คือสติเมื่อเรามีสติแล้วเราก็จะสามารถทำใจให้สงบได้เวลาเราทำใจให้สงบความอยากก็ต้องสงบตัวลงไป แล้วนะถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าความอยากนี้เป็นโทษเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ทรมานใจต่อไปเราจะไม่กล้าอยากเราจะกลัวความอยากเราจะไม่อยากได้อะไรเพราะเราจะไม่ไม่อยากจะทุกข์ทรมานใจนั่นเองเพราะตอนนี้ถึงแม้เราไม่มีอะไรแต่เราไม่มีความทุกข์ทรมานใจเราอยู่อย่างเป็นสุขได้ เหมือนกับเด็กที่ยังไม่เคยเสพยาเสพติดเขาก็อยู่อย่างมีความสุขได้แต่พอเขาไปติดยาเสพติดแล้วทีนี้เขาจะต้องทุกขทรมานและอาจจะต้องตายไปได้ถ้าจิตของเขาไม่มีกําลังที่จะต่อสู้กับความอยากได้หรือไม่เช่นนั้นเขาก็จะต้องไปทําบาปทำำํากรรมไปทําผิดกฎหมายพอเวลาที่อยากจะเสพก็ต้อง มีเงินไปซื้อยามาเสกแล้วถ้าเป็นเด็กยังไม่มีไรายได้จะต้องทําอย่างไรก็ต้องรักขโมยเงินทองของพ่อแม่ถ้าลักขโมยเงินทองของพ่อแม่ไม่ได้ก็ต้องไปลักขโมยเงินทองของคนอื่นก็อาจจะถูกเขาจับเข้าไปขังในคุกในตารางแล้วก็อาจจะต้องตายไปในคุกในตรางเพราะทนกับความอยากเสพยาเสพติดไม่ได้นี่เอง นี่แหละคือโทษของความอยากต่างๆที่พวกเราไม่มองไม่เห็นกันเรากับไม่ลับทำตามความอยากเพราะเราคิดว่าเวลาอยากได้อะไรแล้วได้ดังใจอยากเราจะมีความสุขกันมากเราจึงอยากกันอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักจบจากสิน้นแต่ไม่เคยดูใจของเราเลยว่าต้องทุกขทรมานมากน้อยเพียงไรทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมา ถ้าเราจเจริญสติแล้วทำจิตใจให้สงบได้เราจะเห็นว่าความทุกข์ใจของเราทั้งหมดนี้เกิดจากความอยากแล้วเราก็จะมีกำลังใจที่จะกล้าต่อสู้กับความอยากที่จะหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราพอไม่มีความอยากแล้วทีนี้เราก็จะสบายอยู่เฉยๆก็สบาย เช่นถ้าเราไม่อยากบุหรี่แล้วไม่มีบุหรี่สูบเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่อยากดื่มสุราแล้วไม่มีสุราดื่มเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่อยากไปเที่ยวถ้าเราไม่ได้ออกไปเที่ยวเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยถ้าเราไม่มีความอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยเราไม่มีเงินจะไปซื้อเราก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละคือ ผลอันดีที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เราได้ชนะความอยากที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปแล้วเราจะอยู่อย่างเป็นสุขอยู่เฉยๆก็เป็นสุขตอนนี้ต่อให้เรามีเงินทองกองเป็นล้านเป็นหลายล้านพันล้านเราก็จะไม่มีความสุขเพราะมันยังมีความอยากอยู่พอเกิดความอยากขึ้นมามันก็จะทุกข์ทรมานใจทันที ดังนั้นขอให้พวกเราจงใช้เวลาที่ว่างนี้ให้เป็นกำไรของชีวิตด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติไปพยายามตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้ให้มันน้อยลงไปให้มันเบาบางลงไปแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้น จะมีความทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆจนหมดสิ้นไปได้อย่างแน่นอนเพราะพ่ะพระเจ้าและพระสาวโลกทั้งหลายได้ปฏิบัติมาแล้วและนี่ก็เป็นคำสอนของท่านสิ่งใดที่ท่านปฏิบัติมาแล้วท่านก็นำมาสอนพวกเราถ้าพวกเราปฏิบัติตามพวกเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันจึงขอฝากเรื่องของการมาตักตวงกำไรของชีวิต